และคำที่พูดแม้สมเร็จพระบรมศ า, ศาสดาก็เคยตรัสว่าปัญญานั้นย่อมรู้ได้ด้วยการสนทนาและสนทนากันนานๆผู้เจริญทั้งหลายนอกจากสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไม่มีพระสาวกรูปใดจะแสดงธรรมที่เป็นหลักฐานไวมากเท่ากับท่านพระสารีบุตรเถระเจ้าภาสิทธรรมของท่านพระสารีบุตรแสดงถึงภูมิปัญญา อันสูงของท่านมีดังจะกล่าวต่อไปผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งอนาถบินิกะกระบดีพร้อมด้วยอุบาสกอื่นๆเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่ง พระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งสอนเป็นใจความว่าดูก่อนกระ บ, บดีท่านทั้งหลายบำรงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเป็นต้นแล้วไม่ควรทำความยินดีด้วยการกระทําเพียงเท่านั้นพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราพึงเข้าถึงปีติอันเกิดแต่ความสงัดอยู่เป็นครั้งคราวคือไม่ควรคิดว่าเมื่อได้เป็นทายกถวายสิ่งจาเป็น ในการครองชีวิตแจ้ภิกษุสงฆ์ก็พอแล้วจะต้องรู้จักทำจิตใจให้เข้าถึงความสงบสงัดด้วยตนบ้างเป็นครั้งคราวไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้ริ้มรถของความสงบเมื่อสำเร็จพระบรมศ า, าสดาตรัสดังนั้นพระสารีบุตรเทระเจ้าจึงกราบทูลว่าข้อนี้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่ทรงเตือนมิให้ยินดีเพียงถวายสิ่งจาเป็นในการครองชีพ แก่ภิกษุสงฆ์แต่ให้รู้จักเข้าถึงปีติอันเกิดแต่ความสงบด้วยตนเองเพราะเมื่อทําอย่างนั้นได้ในสมัยใดในสมัยนั้นก็จะไม่มีฐานะ5ประการคือ 1. ความทุกข์กายทุกข์ใจอันประกอบด้วยกาม 2. ความสุขกายสุขใจอันประกอบด้วยกาม 3. ความทุกข์กายทุกข์ใจอันประกอบด้วยอกุศลสี 4. ความสุขกายสุขใจ อันประกอบด้วยอกุศล 5. ความทุกข์กายทุกใจอันประกอบด้วยกุศลเมื่อพระสารีบุตรเทเรเจ้ากราบทูลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทานสาธุการรับรองถ้อยคำของพระเทเรเจ้าว่าถูกต้องแล้วเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของพระเทระที่สามารถเห็นอัตเห็นธรรมพิสดารออกไปในขณะที่ได้สดับพระพุทธโอวาทเพียงสั้นๆ ทั้งความชิดความเห็นนั้นสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาก็ทรงรับรองว่าถูกต้องผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณเชตวนารามใกล้กรุงสาวัถีได้มีพระพุทธรรมรัตถามพระสารีบุตรเถรว่า ดูก่อนสารบุตรเธอเชื่อไหมว่าทมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อความเพียรความมีสติไม่เลินเล่ อ, ลอความตั้งจิตมั่นเป็นสมาธิและปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้รวมหาประการนี้ถ้าเจริญทำให้มากแล้วย่อมส่งผลให้บรรลุอมตะธรรมเป็นที่สุดพระเถรเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจดังนั้นด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดก็ตามยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทำให้แจ้งไม่เห็นจริงด้วยปัญญาของตนผู้นั้นก็จะต้องเชื่อต่อบคุคคลอื่นว่าทำที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนที่จเจริญทำให้มากแล้วจะทรงผลให้ดังนั้นส่วนข้าพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้ทราบได้ทาให้แจ้ง ได้เห็นจริงด้วยปัญญาของตนแล้วข้าพระองจึงไม่สงสัยแคลงใจในข้อที่พระองค์ตรัสว่าทมที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนจะส่งผลได้เช่นนั้นเป็นการยืนยันว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนั้นท่านเองได้รู้แจ้งเห็นจริงตามทุกอย่างโดยประจักษ์ด้วยปัญญาของท่านเองท่านจึงไม่ต้องเชื่อตามที่พระศาสดาตรัสบอกแต่เชื่อด้วยการเห็นจริงเอง ผู้เจริญทั้งหลายสมเด็จพระสถาคตเจ้าก็ประธานสาธุการรับรองข้อที่พระเถรรากราบทูล น, นั้นถูกต้องแล้วผู้ใดยังไม่รู้ไม่เห็นเองก็ต้องเชื่อผู้อื่นเมื่อรู้เองเห็นเองก็เชื่อตามความรู้ความเห็นของตนเองเป็นการแสดงหลักแห่งความเชื่อชั้นสูงคือความเชื่อภายหลังที่ได้ปฏิบัติจนรู้ผลประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตา ม, ตามคนอื่นสืบมา ผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรเีระมาใตาถามเพื่อให้ตอบข้อธรรมะอันเนื่องด้วยการบรรลุอมตะธรรมเกี่ยวโยงกับเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดพระสารีบุตรเทระเจ้าก็ได้ตอบปัญหานั้นๆในถ้ำกลางพระพิสุทิ์ั้งหลายโดยชัดเจนพระบรมศาสดาตรัสรับรองว่าตอบถูกต้องแล้วแล้วตรัสต่อไปว่าสารีบุตรเข้าใจทราบซึนด้วยดี ซึ่งธรรมธาตุแม้จะถามปัญหาตลอดวันตลอดคืนถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนก็โต้ตอบได้ทั้งโดยตรงและโดยยักย้ายปริยายและเนื้อความผู้เจริญทั้งหลายในสมัยหนึ่งณเชตะวนารามกรุงสาวัตถีท่านพระสารีบุตรเทระได้กล่าวธรรมกถาแก่พระสงฆ์ผู้เดินทางมาแต่ไกลถึงเรื่อง ที่จะกำหนดหมายว่าด้วยคุณธรรมอย่างไรสาวกของพระอริยเจ้าจึงจะชื่อว่ามีความเห็นถูกเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมเมื่อพระสงฆ์เหล่านั้นถามถึงว่ายังมีคุณธรรมอีกหรือไม่ที่จะทำให้บุคคลชื่อว่ามีความเห็นถูกต้องเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในธรรมท่านพระสารีบุตรก็แสดงธรรมยักย้าย โดยเนย้อถึง16ประการเพื่อแสดงว่าเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ทําให้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องเห็นตรงได้เพราะแต่ละข้อนั้นก็จินความถึงข้ออื่นไปในตัวคุณธรรมสิหประการที่จะทําให้ชื่อว่ามีความเห็นถูกเห็นตรงนั้นคือ1เป็นผู้รู้จักอกุศลคือความชั่วรู้จักมูลรากแห่งอกุศลรู้จักกุศลคือความดีรู้จักมูลรากแห่งกุศล เม <Okay. S 3> ื่อร <Yeah. S 1> ู้จริงก็จะส่งผลให้ละกิเลสได้โดยลำดับจนถึงสิ้นทุกข์ได้ในปัจจุบัน 2. เป็นผู้รู้จักอาหารเหตุให้อาหารเกิดความดับอาหารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหาร 3. เป็นผู้รู้จักทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 4. เป็นผู้รู้จักความแจและความตายเหตุใหเกิดความแจและความตาย ความดับความแจและความตายและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับความแจและความตาย 5. เป็นผู้รู้จักความเกิดเหตุของความเกิดความดับความเกิดและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับความเกิด 6. เป็นผู้รู้จักพบคือความมีความเป็นเหตุให้เกิดพบความดับพบและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับพบ 7. เป็นผู้รู้จักอุปาทานความยึดมั้นถือมั่นเห็นให้เกิดอุปาทาน ความดับอุปาทานและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทาน 8. เป็นผู้รู้จักตันหาความทยานอยากเห็นให้เกิดตันหาความดับตันหาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตันหา 9. เป็นผู้รู้จักเวทนาความเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้าง เห็นให้เกิดเวทนาความดับเวทนาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนา 10. เป็นผู้รู้จักผัสสะคือความกระทบกันระหว่างตากับสิ่งที่ตาเห็นเป็นต้นแล้วเกิดความรู้ขึ้นเห็นให้เกิดผัสสะความดับผัสสะและข้อปฏิบัติใหถึงความดับผัสสะ1 1เป็นผู้รู้จักอายจตนะหกคือตาหูจมูกเลนกายใจเห็นให้เกิดอายตนะ6ความดับอายจตนะ6 และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอายยตนาหกสเป็นผู้รู้จักนามและรูปนามได้ใจเรื่องของจิตใจรูปได้ใจเรื่องของกายเห็นให้เกิดนามแลรูปความดับนามแลรูปและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนามแลรูป 13. เป็นผู้รู้จักวิญญาณคือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหตุให้เกิดวิญญาณความดับวิญญาณและข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับวิญ ญ, ญาณ14เป็นผู้รู้จักสังขารคือเครื่องปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาและปรุงแต่งใจเห็นให้เกิดสังขารความดับสังขารและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขาร15เป็นผู้รู้จักอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ตามความเป็นจริงเหตุให้เกิดอวิชชาความดับอวิชชาและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา16 เป็นผู้รู้จักอาสวะคือกิเลสที่ขังอยู่ดองอยู่ในสันดานเห็นให้เกิดอาสวะความดับอาสวะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะผู้เจริญทั้งหลายนี่เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาแห่งพระสารีบุตรเทรเจ้าซึ่งอาจเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ก็อาจเข้าใจได้ถ้าสนใจใคร่ศึกษาสับคาอธิบายแต่ในขณะนี้จะขอกล่าวถึงแสงภูมิปัญญา พออื่นต่อไปผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งณเชตวนารามกรุงสาบถีท่านพระสารีบุตรได้ตอบคำถามของท่านพระมหาโกธิตะผู้ได้รับการสรนเสริญจากพระาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการบรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาคือความบรนตู้แตกฉานในอัด ธรรมะในภาษาพูดและในปฏิภาณคำถามและคำ ต, ตอบครั้งนี้แสดงถึงผุ่มปัญญาอันสูงยิ่งและนับว่าเป็นคำสอนประเภทเวทันละคือที่ต้องใช้ความรู้และปัญญาอันสูงในพระพุทธศาสนารายละเอียดแห่งคำถามคำตอบจะยกไว้จะนำมากล่าวณที่นี้เฉพาะหัวข้อที่ได้ถามและตอบคือ 1. คําว่าผู้มีปัญญาสามผู้มีปัญญา กำหนดด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่คําว่าปัญญาและวิญญาณก็หมายถึงรู้ด้วยกันแต่รู้ต่างกันอย่างไรและรู้อะไรแยกกันได้หรือไม่เมื่อได้ตอบคําถามข้างต้นนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเทระได้สรุปว่าปัญญาควรทําให้มีเกิดขึ้นส่วนวิญญาณควรกําหนดรู้ 2. คําว่าเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจําได้และวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ มีความหมายต่างกันอย่างไรจะแยกกันได้โดยเด็ดขาดหรือไม่ 3. ม, มะโนวิญญาณคือความรู้แช้งอารมณ์ทางใจอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายพึงรู้อะไรได้ทำที่ควรรู้นั้นจะรู้ได้ด้วยอะไรปัญญามีความหมายอย่างไรบ้าง 4. อะไรบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดความเห็นชอบและอะไรบ้าง เมื่อเข้าช่วยส่งเสริมความเห็นชอบแล้วทำให้เกิดผลคือเจตวิมุตต์ความหลุดพ้นเพราะสมาธิและปัญญาวิมุตต์ความหลุดพ้นเพราะปัญญา 5. พบภพคือความมีความเป็นมิกิอย่างการเป็นอีกเกิด อ, กอีกจะมีได้อย่างไรและจะไม่มีได้อย่างไรหกปฐมฌานคือั้นที่หนึ่งเป็นอย่างไรมีองค์คือส่วนประกอบเท่าไหร่และส่วนอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเจ อินทรีห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์ต่างๆกันมีทางรับอารมณ์ต่างๆกันจะรับอารมณ์ของกันและกันไม่ได้อะไรเป็นที่อาศัยของอินทรีห้าเหล่านี้และเป็นตัวรับอารมณ์ของอินทรีห้าเหล่านี้ได้ซึ่งท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าอินทรีย์ที่6คือใจย่อมทําหน้าที่ได้เช่นนั้น 7. อินทรีห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยอะไร เพราะอาศัยอายุคือปัจจัยเครื่องสืบต่อชีวิตอายุตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยไออุ่นไออุ่นตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยอะไรเพราะอาศัยอายุคือทั้งไออุ่นและอายุต่างอิงอาศัยกันและกันเปรียบเหมือนเมื่อจุดประทีมน้ํามันแสงสว่างย่อมปรากฏเพราะอาศัยเปลวไฟและเปลวไฟที่ปรากฏก็เพราะมีแสงสว่างอายุสังขารกับธรรม ที่พึงรู้ได้เป็นอันเดียวกันหรือต่างกันตอบว่าไม่เป็นอันเดียวกัน 9. อะไรบ้างลากายนี้ไปแล้วกายนี้ก็จะถูกทิ้งให้นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ตอบว่าอายุปัจจัยเครื่องสืบต่อชีวิตไออุ่นและวิญญาณรวมสามอย่างถ่านรากายนี้แล้วกายนี้ก็จะถูกทอดทิ้งให้นอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ภิกษุผู้เข้า สัญญาเวทยิตนิโรธคือสมาบัติที่ดับความจำและความเสวยอารมณ์จะต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วตอบว่าภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธยังมีอายุไออุ่นและอินทรียังผ่องใส 10. สมาบัติที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขที่เป็นความหลุดพ้นพระสมาธิมีปัจจัยจีอย่างตอบว่าสีอย่างคือ 1. ล่ลาสุ คือความสบายกายได้สองละทุกคือความไม่สบายกายได้สามสมนัสคือความดีใจดับไปแล้วตั้งแต่ต้นสี่โทมนัสคือความเสียใจดับไปแล้วตั้งแต่ต้นสมาบัติที่ไม่มีนิมิตคือไม่มีเครื่องหมายที่เป็นความหลุดพ้นเพราะสมาธิมีปัจจัยจีอย่างตอบว่ามีปัจจัยสองอย่างคือความไม่เอาใจใส่นิมิตทั้งปวง ความใส่ใจซึ่งชาติที่ไม่มีนิมิตการตั้งอยู่แห่งเกโตวิมุตต์ที่ไม่มีนิมิตการออกจากเจโตวิมุตต์ที่ไม่มีนิมิตมีปัจจัยจีอย่างตอบว่ามีสองอย่างถ้าเป็นการตั้งอยู่ก็มีปัใจจัยในลักษณะหนึ่งถ้าเป็นการออกก็มีปัจจัยอีกลักษณะหนึ่ง 11. เจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นเพราะสมาธิ4ี่อย่างคือที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งที่ว่างเปล่า และไม่มีนิมิตมีเนื้อความต่างกันมีพัญชนะต่างกันหรือว่ามีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่มีพญชนะต่างกันตอบว่าที่มีเนื้อความต่างกันมีพญชนะต่างกันก็มีที่มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่มีพัญชนะต่างกันก็มีแล้วแต่จะอธิบายให้ต้องด้วยปริยายไหนเมื่อพระมหาโกธิตะติสัะ ด, ดังนั้นก็ชื่นชมภาษิทธิท์ของพระสารีบุตรเทวดเจ้า นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันสูงของพระเถระผู้เจริญทั้งหลายภูมิปัญญาอันสูงนั้นไม่ใช่จะแสดงออกด้วยการตอบคําถามหรือการแสดงธรรมเท่านั้นแม้การตั้งคําถามเพื่อให้ได้เนื้อความอันสุขุมลุ่มลึกก็เป็นประโยชน์ในทางปัญญาและทางปฏิบัติก็เป็นคุณสมบัติเป็นการแสดงออกแห่งภูมิปัญญาอันหนึ่งของพระสารีบุตรเถระเจา้าดังจะกล่าวต่อไป ผู้เจริญทั้งหลายสมัยหนึ่งนักเวลุปนารามกรุงรัชครืภิกษุชาวชาติภูมิเป็นอันมากจำพรรษาแล้วก็เดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสถามว่าภิกษุที่อยู่ณตาบบ้านชาติภูมิมีใครบร่้งหรือไม่ที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงด้วยตนเองแล้วแลชักชวนแนะนาภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเห็นป่านนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า พระเทระรูปหนึ่งชื่อว่าปุณณนะผู้เป็นบุตรแห่งนางมนตานีเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงด้วยตนเองทั้งชักชวนแนะนาภิกษุทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันสูงนั้นด้วยผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรเทเรเจ้าได้สดับภิกษุทั้งหลายเชยชมยกย่องท่านพระปุณณนะมันตานีบุตรดังนั้นก็มีความพอใจเลื่อมใสในคุณธรรมของพระเทเรและตั้งใจไว้ว่า จะหาโอกาสพบปะสนทนาด้วยครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชเกลืมาสู่กรุงสาบถีแล้วท่านพระปุณณนะจึงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศาสดาณเชตวันารามกรุงสาบถีนั้นเมื่อได้เข้าเฝ้าและสดับพระธรรมเทศนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ถวายบังคมทำประทักษิณหลีกไปยังป่าอันถวันเพื่อ น, นั่งพักผ่อน ในเวลากลางวันฝ่ายพระสารีบุตรเถระเจ้าเมื่อทราบข่าวว่าพระปุณณามันตานีบุตรเดินทางมาเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาและเอาไปพักผ่อนในป่าอันธวันก็ตามไปในป่านั้นแต่และท่านนั่งน่งโขนไม้ต้นใดต้นหนึ่งยับยั้งอยู่ในวิหารธรรมตลอดเวลากลางวัน ครานเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรเทระเจ้าจึงลุกจากอาสนะเข้าไปสนทนากับท่านพระปุณณนะแล้วได้ไต่ถามท่านพระปุณณะว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่หรือไม่เมื่อได้รับคําตอบว่าใช่แล้วจึงถามต่อไปว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความบริสุทธิ์แห่งศีลเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความเห็นเพื่อความบริสุทธิ์ เป็นเหตุข้ามความสงสัยได้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งยานเห็นทางและไม่ใช่ทางเพื่อความบริสุทธิ์แห่งยานเห็นข้อปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์แห่งยานทัศนะคือการเห็นด้วยยานข้อใดข้อหนึ่งในเจข้อนี้หรือเมื่อรับคำตอบว่าเปล่าไม่ใช่เพื่อข้อใดข้อหนึ่งจึงถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเพื่ออะไรตอบว่าเพื่อความดับโดยไม่มีเชื้อเหลือคืออนุปาธาบริญพา ท่านภาษารีบุตรเทราจึงถามว่าความบริสุทธิ์ทั้งเจข้อนั้นเป็นอันเดียวกันกับความดับโดยไม่มีเชื่อเหลือหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเมื่อไม่เป็นอันเดียวกันจะนับว่าอนุปาชาบริญญานเป็นอื่นไปนจากวิสุทธิเจข้อนั้นหรือไม่ตอบว่าไม่ใช่อื่นโดยให้เหตุผลว่าถ้าจะว่าเป็นอย่างเดียวกันก็จะกลายเป็นบัญญัติสิ่งที่ยังมีเชื่อว่าเป็นความดับ โดยไม่มีเชื้อเหลือแต่ถ้าจะกล่าวว่าการดับโดยไม่มีเชื่อเหลืออื่นจากความบริสุทธิ์ทังเกียตข้อนั้นคนธรรมดาสามัญที่ยังหนาไปด้วยกิเลสก็พึงปรินิพานได้เมื่อท่านพระสารีบุตรซักให้ที่บายต่อไปอีกพระปุณณะจึงอุปมาด้วยรถเจ็ดผลัดที่สรงพระราชาไปยังที่หมายรถยอมไม่ใช่ที่หมายแต่ส่งต่อต่อกันไปให้ถึงที่หมายและการไปถึงที่หมายจะอ้างว่า ไม่ต้องการอาศัยรถผัดใดพลัดหนึ่งก็ไม่ได้พระสารีบุตรเทวเจ้าจึงสรรเสริญท่านพระปุณณะว่าเป็นลาบของเพื่อนพระมจารีทุกท่านที่จะพึงได้เห็นและได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณนะรวมทั้งเป็นลาบของท่านพระสารีบุตรเทวะเองด้วยที่ได้มาเห็นมานั่งใกล้ในวันนี้ผู้จเจริญทั้งหลายเมื่อท่านพระปุณณนะถามทราบความว่าผู้ที่มาซักถามปัญหากับตน เป็นพระครส า, าบกผู้มีนามว่าสารีบุตรก็แสดงความอรรัศทับใ์ในวิธีถามอันลุ่มลึกเดิลําดับพร้อมทั้งกล่าวว่าทายรู้แต่แรกว่าเป็นพระสารีบุตรเทวดเจ้าผู้เสมอหรือเทียบเคียงด้วยสําเร็จพระบรมศ า, าสดาแล้วปฏิภาณในการโต้อตอบก็คงจะไม่มีถึงเพียงนี้ครานแล้วได้สรรเสริญพระสารีบุตรว่าถ้าผู้ใดได้เห็นได้เข้าใกล้ก็จะเป็นลาภของผู้นั้น รวมทั้งเป็นลาบของท่านเองด้วยที่ได้เห็นและได้เข้าใกล้ท่านพระสารีบุตรเถระในวันนี้อันหนึ่งมีคำที่ท่านทั้งสองสรเสริญกันและกันอยู่ข้างหนึ่งคือถ้าภิกษุทั้งหลายจะผัดเปลี่ยนกันทูลท่านพระปุณณะหรือท่านพระสารีบุตรไว้บนศรีรษะเพื่อมีโอกาสได้เห็นและได้เข้าใกล้ก็ยังนับเป็นลาบของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ผู้เจริญทั้งหลายการถามปัญหานอกจากเป็นการแสดงออกซึ่งผุมิปัญญาแล้วในบางครั้งด้วยการถามนี้ได้ทำให้ผู้ฟังเกิดปัญญาบรรลุอมตะก็มีดังเช่นท่านพระสารีบุตรเทราาวเจ้ากระทําแจ่พระยะมะกะผู้มีความเห็นผิดว่าพระอรหันตะคีนาศบตายแล้วศูนย์ภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนพระยะมะกะให้คลายความเห็นผิดแต่พระยะมะกะไม่เชื่อฟัง จึงต้องเชิญท่านพระสารีบุตรเทรเจ้าไปช่วยว่ากล่าวผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรเทราถามว่ายะมะกะท่านสําคัญความอย่างไรท่านเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่าขนนันห้านี้ว่าเป็นพระขีณาสพคือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นพระขีณาสพในขันหานั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้น ท่านเห็นว่าพระขีณาสพเป็นขันห้าหรือไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นว่าพระขีณาสพไม่มีขันห้าหรือไม่ใช่อย่างนั้นยะมะกษัท่านหาพระขีณาสพในขันห้านั้นไม่ได้ตามความจริงอย่างนี้ควรหรือที่จะพูดยืนยันอย่างนั้นว่าพระขีณาสพตายแล้วดับสูญผู้เจริญทั้งหลายพระยะมะกะได้กล่าวตอบท่านพระสารีบุตรว่าแต่ก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ จึงได้มีความเห็นผิดเช่นนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ฟังท่านกล่าวแล้วจึงละความเห็นผิดนั้นได้และได้บรรลุธรรมพิเศษด้วยผู้เจริญทั้งหลายนี่แลเป็นตัวอย่างที่แสดงว่าเพียงการตั้งคําถามก็เป็นการถอนความเห็นผิดและทําให้ผู้ฟังบรรลุอมรรตธรรมได้ด้วยต่อจากนั้นท่านพระสารีบุตรเทวดเจ้าได้สรุปข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้พระยะมกะฟังอีก ซึ่งในที่นี้จะไม่นํามากล่าวผู้เจริญทั้งหลายท่านพระสารีบุตรเทระได้กล่าวถึงว่าผู้ตั้งคำถามต่างๆนั้นมี5ประเภทด้วยกันคือ 1. ผู้ถามถามเพราะความโง่เขลา 2. ผู้ถามมีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความปรารถนาลามกยิงถามปัญหา 3. ผู้ถาม มุ่งอมผู้อื่นจึงถาม 4. ผู้ถามใครจะรู้จึงถาม 5. ผู้ถามคิดว่าถ้าถามแล้วผู้ถูกถามตอบถูกดีแล้วก็เป็นการดีถ้าตอบไม่ดีก็จะช่วยตอบให้ดีและได้กล่าวว่าท่านเองมีจิตใจอย่างประเภทที่5คือมุ่งให้ข้อธรรมกระจางผู้เจริญทั้งหลายการถามเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเป็นการช่วยให้เกิดความเข้าใจจำแจ้ง ในคำตอบด้วยประการัชนีบัตรนี้ข้อความเทตมาภาพกล่าวมาก็ยืดยาวมากแล้วแต่แม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถนำพาสิทธิ์ของพระสารีบุตรเจ้าซึ่งมีอยู่มากอีกมากมากกว่าที่จะนำมากล่าวแล้วหลายเท่ามากล่าวให้จบลงได้ผู้เจริญทั้งหลายอาตมาภาพเห็นว่าจะสมควรใจเวลาในการกล่าว ถึงท่านพระธรรมสนาบดีในวันนี้เพียงเท่านี้ถ้าท่านทั้งหลายสนใจจะฟังเรื่องที่พระเถระกราบทูลลาสําเร็จพระบรมศ า, ศาสดาไปปรินิพนธ์ณเมืองนาลันชาอันเป็นชาติภูมิเดิมของท่านอัตมาก็ยินดีจะกล่าวอีกในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันขณะนั้นมีเสียงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าใครจะฟังต่อไปอีกในวันนี้ให้จบถ้าไม่เป็นของหนัก เขาได้โปรดอนุเคราะห์กล่าวต่อไปอีกสักเล็กน้อยถ้าใครเห็นพ้องด้วยเขาให้กล่าวสาธุการมหาชนส่วนมากก็กล่าวสาธุด้วยความสนใจจะใครทราบเรื่องพระนิพพานของพระเีระให้จบในวันเดียว